ตรัสรู้ถูกท่วนดีแล้วพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิขพเจ้าอภิวาดกราบไหวซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นและพึงกราบลงหนหนึ่งสวากาโตพระวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทำมังนมะสามิขพเจ้านมรสการกราบไหวซึ่งพระธรรมเจ้านั้น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 ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศัสดาเอกของโลกส่งพ้นจากทุกข์และจากกิเลสทั้งปวงแล้วทรงอยู่กเกษมสำราญทุกเมื่อแล้วพึงกราบลงอีกสามหนบุคภิกิจเบื้องต้นที่นำมาแสดงให้ดูนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นหากใครได้มากจะไหว้ามากก็ได้ไม่ขัดข้อง